139ผู้มีสัมมาทิฐิอยู่เหนือคือผู้อิสระเสรีออกจากขายเพราะกิเลสกรรมในโลกกรรมหรือกรรมามมวจรจำหรับตนมันไม่เกิดในใจเราอีกแล้วเราได้ประหารมันดับดิ้นสิ้นไปแล้วยั่งยืนถาวร อยู่เหนือเจึงไม่ใช่หนีแต่ไม่ได้หมายความว่าข่มโลกกามอยู่เหนือนี้ไม่ใช่ขม่มเพียงแต่จิตใจแข็งแรงอิสระเสรีจนกระทั่งกิเลสกามในโลกนั้นทำอะไรเราไม่ได้จิตใจเราแข็งแรงมั่นคงมีอานาจอยู่เหนืออานาจโลกอํานาจโลกีนั้น นี่คืออยู่เหนือซึ่งต่างจากผู้หลับตาปฏิบัติที่เพ่งเข้าไปเรียนรู้อยู่แต่ภายในหรือได้แต่เพ่งดิ่งเข้าไปคบคิดในผวังที่เรียกว่าการตรึกตักกีหรือการค้นคิดวิมังสีมันก็ได้แต่ฝันไปเท่านั้น พูดอยู่แต่ในฝันก็ออกจากขายไม่ได้ตลอดการตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนในพระไตรปิฎกเล่มเกข้อ90เป็นทิฏฐิหกที่มิถิฉากันอยู่ไม่ว่าในยุค ก, ก่อนพระพุทธเจ้าอุบัติหรือยุคปัจจุบันนี้ที่หลงผิดมันก็กลายเป็น ลาติดแหติดขายผุดวนอยู่แต่ในขายกันไปหมดแล้วมันไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงความจริงโดยเฉพาะความจริงที่มีองค์ประกอบหยาบและใหญ่ด้วยผู้หลับตาอยู่ในภพภายในไม่รู้ไม่มีความเกี่ยวข้องภพภายนอกจึงวนอยู่ในขายแค่นั้นด้วยปะการัชนีแล